หนึ่งวันกับหนึ่งปีอะไรนานกว่ากันนะหลายคนก็ตอบว่าหนึ่งปีนานกว่าหนึ่งวนนะันนี้มันก็จริงนะมันก็ถูกอยู่แต่ว่ายังถูกบ่มดนะมันมีบางที่บางแห่งเนะ หนึ่งวันยาวกว่าหนึ่งปีเนี่ยเชื่อปะ่ะฮะเชื่อทำไมถึงเ<ะ>ชื่อเ ช, ช, ชื่อง่ายจังดาวสุกนะดาวสุกถ้าไปอยู่ถ้าเราไปอยู่ดาวสุกนะที่นั่นแหละ หวันนานกนงงน ว, นว่า1ปีงงปะหนึ่งวันแปลว่าอะไรหวันก็แปลว่าหมุนหมุนรอบตัวเองนะโลกเนี่ยหวัน2ีชั่วโมงคือโลกหมุนรอบตัวเองเรียกว่า1วัน1ปีคือหมุนรอบดวงอาทิตย์นะโลกนี่ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงแต่หมุนรอบดวงอาทิตย์สามหกสวันนะ แต่ดาวศุกร์เนี่ยหมุนรอบตัวเองนะมันสองรอยสี่สิบวันแต่หมุนรอบดวงอาทิตย์นี่แค่สองร้อยี่สิบวันเองดาวศุกร์นี่หนึ่งวันยาวนะยาวสองร้อยสี่สิบวันของชาวโลกนะในโลกเรานี่มุนรอบตัวเองยี่สี่ชั่วโมงนะแต่ที่ดาวศุกร์นี่หมุนรอบตัวเอ ง, งนะส อ, องร้อยยี่สี่สิบวันมันช้านะ นั่นอยู่บนดาวสุขเนี่ยนะถ้าเราอยู่บนดาวศุกเนี่ยโอ้ยวันหนึ่งนี่มันยาวแท้สองร้อยกว่าวันนะนั้นหนึ่งปีเนี่ยบางที่บางแห่งเนี่ยมันมันสั้นกว่าหนึ่งวันได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่ไหนอยู่มองไหนนะเดือน สิงหาคมกับเดือนม ก, กราคมอะไรมาก่อนนะฮะม ก, กรามาก่อนสิงหาแม่นบ่ะแต่มันก็บอกแน่นะสิงหามาก่อนม ก, กราก็ได้นะปีเดียวกันแหละเชื่อบ่ะนะเชื่อเชื่อได้ไง่าย สิงหามาก่อนม ก, กรานะอันนี้ของจริงเนี่ยเมืองไทยสมัยก่อนนะแปดสิบปีที่แล้วอะ่ะรู้บอนะสิงหามาก่อนม ก, กราเพราะว่าแปดสิบปีที่แล้วโ น, น่นนะเดือนแรกของปีคือเดือนเมษานะจำได้บอ สมัยนั้นเรายัางเด็กอยู่นะแม่ออกพระ อ, ออกเนี่ยเราเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นแต่เพิ่งมาเปลี่ยนให้เดือนม ก, กราเป็นเดือนแรกของปีก็คือประมาณสองสี่แปดสี่เกิดลฤติเกิดกันทุกคนแล้วนะอแม่ออกเนี่ยสองสี่แปดสี่รัฐบาลประกาศว่าให้ให้เดือนม ก, กราคนเป็นเดือนแรกของปีมันจะได้เหมือนกับนาน า, นาประเทศเนะย แต่ก่อนนั้นน่ะเมษายนเป็นเดือนแรกของปีเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีเนี่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะเมษาก็เดือนแรกใช่ไหมเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาแล้วก็สิงหาสิงหามาก่อนี่ยมากรมกราคมนะ คนที่เกิดนะคนที่เกิดเดือนมกรามีนาก่อนปี2484สเนี่ยนะโอ้สับสนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเกิดมีนานีเกิดมีนาสอนะแต่ว่าฉลองอายุครบ60ปีนี่ก็ ต้องฉลองอปีสองห้าสองหกเนี่ยบวมันสองห้าสองห้าอายุครบห้าสิบปีนะบางทีอา่านตมาอ่านประวัตินะของพระบางรูปเนี่ยมีสองรูปนะ เ, เมื่อสมัยรัชกาลที่เจ็ดนะเป็นสมเด็จทั้งคู่นะ สมเด็จ ก, ก, ก, สก็สมเด็จขอสมเด็จก็ได้เป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมก่อนสมเด็จขอได้มาเป็นที่หลังแต่เป็นปีเดียวกันสมเด็จขอได้เป็นกรรมการมาเรประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเนี่ยเดือนมกรา สเด็จคอนะได้เป็นประธานกรรมการมาเเสมาคมเดือนมกราสองสี่เจ็ดสี่เจ็ส่วนสมเด็จ ก, กอที่เขาว่าได้เป็นกอนี่ได้รับแต่งตั้งเดือนสิงหาสองสี่เจหนึ่งะปีเดียวกันอ่านเอกสารแล้วก็งงด้วยคนที่บ่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์บอกเอ๊ะสมเด็จคอนี่ได้เป็นได้ได้เป็นทีหลัง แต่ว่าได้แต่งตั้งเดือนมกราสมเด็จ ก, กอได้เป็นก่อนทําไมได้แต่งตั้งเดือนสิงหา mm hmm. เขียนผิดบอสบ่ส mm hmm. ผิดได้เพราะสมัยก่อนนี่สิงหามาก่อนมกราเนีนั้นเวลาใครถามว่าเนี่ยมกรามาก่อนสิงหาหรือเปล่าก็ถูกถ้าเป็นตอนนี้ ถ้าถามว่าสิงหามา่ก่อนมะกราหรือเปล่าก็ถูกถ้าเป็นเมื่อก่อนเนยถูกทั้งคู่นหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันแต่ว่ามีหกอาทิตย์หนึ่งมีหกวันได้ไหมนะได้่อ ถึงตรงนี้ต้องได้แล้วนะบางประเทศได้อาทิตย์หนึ่งมีหกวันได้สมัยก่อนนะอย่างรัสเซียเนี่ยอาทิตย์นึงมีหกวันรัฐบาลประกาศนะอาทิตย์หนึ่งมีหกวันมันบอแน่เด้เวลาอย่าไปคิดว่าเจ็ดอาทิตย์หนึ่งต้องมีเจ็ดวันอย่าไปมันบอแน่เลยที่บอกว่ามกราต้องมาก่อนสิงหามันบอแน่ได้ถ้าบอกว่า หนึ่งวันต้องสั้นกว่าหนึ่งปีนมันบ่อนแน่อย่าไปคิดว่าโอ้มันมันต้องแน่นอนนะโลกนี้มันมีความบ่อนแน่นอนเยอะนะ ừ ừ, เพราะว่ามันเป็นของสมมตินะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีเจ็ดวันนี่ก็สมมติเอา ừ ừ, ừ, นะ ความการสมมุตินี่มันก็ก็แล้วแต่คนนะใครมีอำนาจก็สมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งมีหกวันก็ได้อาทิตย์หนึ่งมีห้าวันก็ได้มกการามาก่อนสิงหานี่ก็สมมุติเอานะแต่ก่อนก็สมมุติอีกแบบหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะพูดถึงเดือนเนี่ยนะมันจะมีสามเดือนที่หายไปนะ จากโลกนี้หายไปเลยเดือนมกรากรุมพามีนาสองสี่แปดสีนี่หายไปเลยนะถ้าบอกว่าใครบอกว่าเกิดเดือนมกราสองสี่แปดสี่นี่ต้องเรียกว่าโกหกแล้วนะเพราะว่าปีนั้นเนี่ยตัดทิ้งไปเลยมันเริ่มใหม่ให้มกรานี่เป็นปีแรกให้เดือนแรกของปีไปเลยนะ อะไรอะไรมันก็มีความไม่แน่นอนหลายนะอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมากนะมันต้องคิดต้องไต่ตองมีผู้ชายคนหนึ่งนะเพื่อนขับรถนะที่ลําพูนนี่แหละนะลําพูนลําปางเนี่ยแล้วก็มันก็มีบางช่วงนะโอ้มันเป็นเขานะเพื่อนก็ขับรถขึ้นเขาทางก็คดเคี้ยวนะ บางช่วงก็หักศอกนะก็มีช่วงหนึ่งขับอยู่ดีๆนะรถคันข้างหน้าเนี่ยก็วิ่งสวนมาแล้วก็วิ่งแบบรถปัดนะนะรถมันปัดนะแล้วก็เร็วแล้วก็มากินทางของเพื่อนเพื่อนก็เลยต้องรีบ จอดข้างทางรีบฉลอยแล้วก็จอดข้างทางก็สงสัยว่าเป็นอะไรนะทำไมรถข้างหน้านมันทาไมขับรถแบบนี้ก็ไม่พอใจแล้วนะมาขับรถแบบมากินทางบนเขา้วยนะพอรถคันนั้นแล่นใกล้เข้ามาเกือบจะสวนกันแล้วคนขับนะเป็นผู้หญิงนะก็ตะโกนมาควาย รถคันที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ย <Okay. S 1> เพื่อนก็ไม่พอใจแต่ทีแรกนะว่าขับรถอะไรมากินท่าแบบนี้ mm hmm. แทนที่จะรู้สึกผิดนะขอโทษนี่กลับมาตะกลนดา่าฉันว่าควาย mm hmm. เพื่อนก็เลยด่ากลับไปอีควาย mm hmm. มึงอีควายเสร็จ mm hmm. แล้วก็ขับต่อไปนะขับต่อไปพอถึงช่วงที่มันเป็นโค้งนะ มันก็เลิ่มเป็นทางลาดละทางลงเพื่อนก็ไม่ได้ชะลอรถนะขับไปเพราะว่าข้างหน้านเจอควายฝูงใหญ่เลยเบรกไม่ทันนะชนควายตายเพื่อนเลยมารู้อ๋อที่เพิ่นที่คนมาคันเมื่อกี้บอกว่าควายเนี่ยเพื่อนบ่กได้ด่านะว่าบ่กได้ด่าแล้วว่าควายนะเพื่อนตะโกนว่ายังไงตะโกนเตือนนั่นบะว่าข้างหน้านมีควาย แต่ไปคิดว่าเขาดา่าเราว่าควายเนี่ยก็เลยบัทันระวังตัวนะขับรถก็ไปชนควายเนี่ยรถพังควายตายเนี่ยเดือดร้อนดีไม่ตกเขาเนี่ยนะเวลาใครว่าควายนี่ยอย่าพึ่งไปคิดว่าเขาดา่าเนี่ยเขาจะเตือนเตือนว่าควายอยู่ข้างหน้าเนียมันบอดแน่เด้ออย่าไปพึ่งไปเชื่อง่ายๆยว่า ต้องรู้จักทักทวงนะว่ามันอะไรอะไรก็บนแ น, น่เวลาใครเขาได้ยิงใครว่าพูดอย่างงน้นอย่างนี้มาว่าเราเนี่ยก็ให้นึกเผื่อไว้ก่อนว่ามันบ่นแน่อาจจะเข้าใจผิดฟังผิดมาก็ได้นะเดี๋ยว <c oughs> นี้เราเ <c oughs> ชื่อง่ายนะนะนได้ยิง คนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างงั้นเขาพูดถึงเราว่าอย่างนี้เขาพูดถึงเราว่าอย่างงั้นเราก็เชื่อนะว่าเนี่ยเขาเขาด่าเราเขาว่าเรานะบางทีเราได้ยินมาผิดนะหรือว่าเพื่อนเรได้พูดถึงเราอย่างนั้นนะแต่เราก็โกรธล้วก็เครียดไปแล้วนะหาว่าเขาว่าเราหาว่าเขานินทาเรานะ จริงๆเราฟังว่าผิดหรือไม่คนที่มาพูดให้ฟังนี่เพื่อนก็ฟังผิดหรือว่าใส่ไข่นะเติมเข้าไปเขาพูดมาหนึ่งนะก็มันเล่าเป็นสองพอมาถึงหูเราก็กลายเป็นสามไปนะนะ อย่าเพิ่งไปเครียด <c oughs> เพึ่งไปโศนนะเราตั้งใจให้ข่มใจหรือว่าให้มีอดทนก่อนว่าเอ้ย <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้พูดอย่างนั้นมันบ่แน่ได้บน่นแะน่ขนาดสิงหายังมาก่อนมกกะลาได้เลยนะตั้งที่เป็นไปได้ยังไงนะสิงหามาก่อนมกกะลาแต่มันก็มาแล้วนะเพียงแต่เราบรรลุนะ นี่ต้องรู้จักทักท่วงต้องเตือนใจว่าบ่นแน่บ่นแน่คาว่าบ่นแน่หรือว่าไม่แน่นอนนี่โอ้มันเป็นเป็นยาที่ดีเลเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยถ้านึกสะก่อนว่าเออมันบ่นแน่บ่นแน่เวลาเจ็บเวลาป่วยมันก็ป่วยแต่กายในะใจบ่ป่วยเพราะว่าเตือนใจไว้ไแล้วเตือนเจ้าของไว้แล้วว่า ร่างกายสังขารเรานี่มันก็ไม่แน่นอนนมันบ่อนแน่วันดีคืนดีก็เดินเกิดอ่ล้มป่วยขึ้นมาเดินมาได้แต่ก่อนเคยเดินได้ตอนนี้เดินมาได้แล้วมันก็บ่อนแน่สังขารร่างกายเป็นอย่างนี้แหละคนที่คิดว่าแน่แน่แเนี่ยพอป่วยเนี่ย หรือว่าเกิดเป็นนมามตพึ่งอมาพาตี่กายขึ้นมาโอ้มทรมานทรมานกายนี่ยังเด็กน้อยเนี่ยแตท่ทรมานใจนี่มันหนักหนาสาหัสกว่าเพราะไปเคี่ยมันแน่นะคิดนี่มันคิดอยู่ในใจลึกๆนะถ้าถามถามทุกคนทุกคนก็บอกไม่แน่นะทุกคนก็รู้ว่าร่างกายเรามันต้องต้องแก่ทุกคนก็รู้่าร่างกายเรามันต้องป่วย อันนี้มันรู้อยู่ในหัวแต่ว่าใจเนี่ยมันมันยังบมเชื่อมันยังมียึดอยู่นะทุกคนรู้ว่าเราต้องตายทุกคนรู้ว่าเจ้าของต้องตายตนะั้งแต่เวลาพอจะตายนี่ใจมันยอมรับบาได้ขณะอายุแปดสิบนะยังจะตายนี่เออยังทุกเลยนะกุ้มหมอกุ้มใจถามว่ากุ้มทําไมไม่รู้เลยว่าจะต้องตายรู้ อายุ8ปดสิบก็รู้แล้วใช่ไหมว่าความตายมันใกล้เข้ามาแล้วก็รู้แต่ว่าใจมันยังบอดยอมรับนะรู้ด้วยสมองนะแต่ว่าหัวใจมันยังมันยังดื้อด้านอยู่นะก็ต้องบอกใจของเจ้าของว่ามันแ น, น, แน่เตือนเอาไว้ บางทีความความไม่แน่นอนนะมันก็มาในรูปต่างๆกันบางทีก็มาในรูปความเจ็บป่วยบางทีก็มาในรูปความเสื่อมหรือว่าภัยอันตรายฝนตก น้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหมเนี่ยอันนี้คือความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งนะวันนี้ยังสบายดีอยู่โอ้ยพรุ่งนี้โอ้ยน้ำท่วมฝนตกนะวันนี้เดินได้สบายแล่เมื่อนี่แผ่นดินไหวนะต้องเผื่อใจไว้นะกับความไม่แน่นอน คนเราเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้พอเจอนะความ ผ, ล ผ, ลผลันผวนเจอภัยอันตรายนี้ก็ตื่นตกใจที่วัดของหลว ง, งปู่ดูนะอยุธยาหลวงปูด่ดูเพิ่อนอยู่วัดสกแก่นะอยุธยาเพิ่นมรณาภาพไปหลายปีนะ อีกคาหนก็ไฟไหม้นะไฟไหม้ใกล้ๆวัดตรงข้ามกุฏิหลวงปู่ดูเลยนะแต่ว่าพอถึงกุฏิหลวงปู่มันก็ดับนะคนก็ลือว่าโอ้หลวงปู่นี่มีของดีนะเป็นที่อัศจรรย์นะไฟมันดับไฟมันมอดไหม้ซะก่อนที่จะมาถึงกุฏิหลวงปู่ ก็มีข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งนะโอเพื่อนได้ยินก็ก็เชื่อหลวงปู่นี่มีของดีก็เลยมาหาหลวงปู่นะบอกว่ามาขอพระอยากได้พะกันไฟหน่อยมาขอหลวงปู่หลวงปูก่ก็ก็ให้นะเพะ่อวเนี้ นี่แหละนะของดีนะพุทธทางธรรมังสังคังไตสาราคมนี่แหละนะของดีเพื่อนเขบอกไม่ไม่ใช่ผมหมายถึงองค์พระนะพระที่เป็นองค์องค่ะนะเพื่อนหมายถึงพักเครื่องอะนะหลวงปู่ท่นก็บอกว่าก็นี่แหละนะพุทธทางธรรมังสังคังนี่แหละของดีภาวนาเถอะ พอนาแล้วจะดีเพื่อนก็ผิดหวังไม่ได้องค์พระไม่ได้พระเครื่องนะที่จะกันไฟได้เพื่อนก็เลยไปหลวงปู่ก็พูดกับลูกศิษย์ว่าคนเราก็แปลกนะของดีไม่เอาจะเอาของปลอมนะพระเครื่องเนี่ยของปลอมนี่แม้แต่พระพุทธรูปที่เรา บูชาคนนี้ก็ของปลอมนะเป็นตัวแทนเฉยๆนะพระเครื่องพระกริ่งพระพุทธรูปเนี่ยเป็นของปลอมคือมันเป็ น, เ ป, นเป็นของจําลองนะจาลองแปลว่าแบ่นม่นของจริงเป็นของจําลองมาจําลองจากของจริงคือพระพุทธรรมประสงค์เนี่ยพระตันตรยัย พระพุทธรมประสงค์นี่แหละของจริงส่วนพระพุทธรูปนะพระเครื่องพระกริ่งเนี่ย น, นี่ของปลอมแต่มีประโยชน์นะมีประโยชน์เอาปเป็นเครื่องระลึกนึกถึงระลึกนึกถึงอะไรลรวเ ร, รื่องถึงของจริงนะเหมือนกับรูปรูปภาพพ่อแม่เราอะนะอันน่้ของปลอมนะ ของจริงคือคนที่มีเลือดมีเนื้อที่เลี้ยงดูเรามาซึ่งอาจจะตายไปแล้วแล้วเราก็มีภาพของเพื่อนไว้ที่บ้านเพื่ออะไรเพื่อระลึกนึกถึงของจริงระ ล, ลึกถึงคนจริงระ ล, ลึกถึงพ่อแม่ตัวจริงแต่คนเนี่ยนะเวลาเห็นพระพุทธรูปเนี่ยเพื่อนก็นึกว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จนลืมจนลืมของจริงไป นับถือของปลอมตาลึงของจริงก็เหมือนคนที่เคารพกราบไหว้รูปภาพพ่อแม่นะั้นจนลืมจนลืมพ่อแม่ตัวจริงไปอันนี้มันฉลาดบ้าถึงแม้ว่ารูปภาพพ่อแม่นี่เป็นรูปที่เราเคารพ น, นะแต่ว่าก็ไม่สําคัญกว่าของจริงนะไม่สําคัญกว่าตัวจริงพ่อแม่ ซึ่งตายไปแล้วก็ยังอยู่ในหัวใจเราอันนี้คนไทยเราชาวาพุทธเรานับถือพระเทนับถือพระเครื่องจนทั้งลืมลืมของจริงไหมนะคือพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าที่เคยอยู่บนโลกนี้แล้วก็สอนให้คนได้บรรลุธรรมพระธรรมก็คือคำสอน นะที่ทำให้เราพ้นทุกขนะ์พระสงค์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติจนเห็นผลพ้นทุกขนะ์จะเป็นพระจะเป็นโยมก็ได้ได้อุบาศกอุบาศิกาที่เป็นพระอริยเจ้าก็มีอยู่ก็เรียกว่าสงฆนะ์นะพวกเราถ้าเรามีพระธรรตจิตใจเป็นที่พึ่งนะ ในใจนะมันจะสู้กับความผันผ ว, วนปล่วนแปลความไม่แน่นอนได้คือมีภัยยังไงมีความเจ็บป่วยยังไงมันก็เสียหายแต่เข้าของหรือว่าเจ็บป่วยที่ร่างกายแต่ว่าใจยังเป็นปกติได้อันนี้เป็นของแท้กว่าคือทําให้ใจเป็นปกติไม่ทุกข์ ถึงแม้ว่าจะเจอความไม่แน่นอนเจอความผันผวนเจอความป่นแปรแต่ว่าใจสงบนิ่งได้เหมือนกับเรือในทะเลที่เจอพายุแต่ว่าเรือก็ไ่้ได้ความอับปางก็เพราะมีสมอนะพอมีสมอแล้วมันก็ยึดเรือไว้นะลมพายุจะพัดยังไงเรือก็บอกความ วผู้ผสมผส่ ง, สงเนี่ยที่อยู่ในใจมันทำให้ใจเราเป็นปกติได้แม้ว่าจะมีความเสียหายโจรป้นทรัพย์หรือว่าไฟไหม้บ้านหรือว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนะแต่ว่าใจนี่เป็นปกติได้นี่แหละของจริง ส่วนของที่เอาไว้ใช้ป้องกันไฟเนี่ย อ, อันนั้นบอกแม่นของจริงเลยเพราะว่ามันมันก็ป้องกันได้พอป้องกันได้เป็นไงก็เสียหายทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อกี้เราส่วนเน่ยผู้ใดถือเอาภูเขาป่าไม้อารามและลุก ลูกเจดีเป็นสรณะเนี่ยอันนี้พุทธเจ้าไประได้สรรเสริญป่าไม้ภูเขาอารามและลูกขาดเจดีนะสมัยก่อนบอมีพรักเครื่องนะถ้าสมัยนี้ต้องเติมไปด้วยพรักเครื่องพุทธาถือเอาภูเขาป่าไม้อารามลูกขาดเจดีและพักเครื่อง เ, เป็นสรณะอันนั้นนี่ไม่มีทางพ้นทุกแห่ ง, งแท้จริงเนี่ย แต่ผู้เอาถือเอาพระผุ้ธระทาประสงค์เป็นสารณะถ้าถือจริงนะก็ต้องเห็นเข้าใจในอริยสัจสี่ใครที่ถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสารณะแล้วเนี่ยบ่เห็นอริยสัจสีแสดงว่ายังยังไม่ได้ถือจริงนะยังแค่รูปคลําหรือว่านับถือแบบงมงายนับถือแบบของปลอมนะ พระพุทธรูปพระเครื่องอารามลูกข่าจดีนี่บรได้พาให้เจ้าของนี่เห็นพระรัตนตรัยได้เห็นพระ อ, อริยสัจสีได้แต่พระผู้เปรรมปะสงค์ของจริงนี่แหละที่ทําให้เราเห็นอริยสัจสี่เห็นด้วยใจเราได้เห็นด้วยสมองเห็นด้วยสมองนี่เด็กๆ ก, ก็ท่องได้นะ เด็กก็ตอบได้ทุกคนเลยอิสัตซีคืออะไรทุกส ม, มุทรไทยนิร่นมากแต่เห็นแล้วก็ยังทุกอยู่นะดินสอหายก็ทุกพ่อแม่มาซื้อโทรศัพท์ ม, มือถือให้ก็ทุกนะอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจอิสัต์สีไ่ได้เข้าใจแล้วนี่มันบอทุกเพราะว่าทุกมันอยู่ที่ใจทุกอยู่ที่ความอยากนะ ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยนะมันก็สามารถจะลื้อถอนความอยากได้นะพอหมดความอยากพอหมดความอยากนะมันก็หมดทุกข์นะทุกข์เพราะอยากบนะ่ได้ทุกข์เพราะว่าเงินหายโทรศัพท์หายบ่ได้ทุกข์เพราะว่าปากกาหายหรือว่าพ่อแม่บ่ซื้อโทรศัพท์ให้อันนั้นมัน สิ่งภายนอกแต่ว่าสาเหตุที่ทุกข์จริงๆคืออยู่ข้างในใจคือความอยากคืออวิชชาคือตัณหาคือวิชาถ้าหมดความปรารถนาจัเสนิทไม่มีส่วนเลื้อนี่แหละนะถึงจะหมดทุกข์อย่างสิ้นเชิงทัานพวกเรานับถือ พราะัตนใจก็ให้นับถือของแท้นี่ยนะจะไปเอาอารามลูกขาเจดีหรือพระเครื่องเนี่ยเป็นสารณะอันนั้นมันสู้กับความไม่แน่นอนสู้กับอนิจจังมาได้พอแม้แต่อารามลูกขาเจดีก็ต้องพังทลายเนี่ยพระธาพนมเนี่ยนะที่เราจะไปเนี่ยนะรูบอร่อนะสี่สิบปีที่แล้วเคยพังลงมาจำได้ปะ สิงหาปีหนึ่งแปดนะอาตมา จ, จำได้ตอนนั้นเพิ่งเพิ่งเรียนธรรมศาสตร์ปีหนึ่งนะสิงหาปีหนึ่งแปดนะพระธาตุพนมพังลงมาที่เราจะไปดูเนี่ยนะเราไปดูของใหม่นะอารามลูกขาเจดีทั้งหลายนะที่เขาว่าสักเส ร, ร็จสักเส ร, ร็จนีก็พังลงมาเยอะแล้วนะ ที่พม่าเนี่ยโอ้ย อ, องใหญ่เลยนะก็พังลงมาแต่เขาดีนะเขาเก็บเขาเขาไม่ซ่อมนะเขาปล่อยไว้งั้นแหละให้เห็นพังลงมาเลยเตือนเตือนใจเรื่องอนิจจ์ว่าแ้กระทั่งแม้กระทั่งพลาดก็ยังพังลงมาได้แล้วนับภา ษ, ษาอะไรกับบ้านเราบ้านเรามันจะไม่พังได้ยังไง าเราจะไม่เสื่อมได้ยังไงของแท้นี่ของปลอมนี่ก็พองออมาได้แต่ของแท้นี่นะเป็นนมธรรยืนยงเด้เป็นอาการลิโ ก, โกนะแล้วก็สอนให้เรานะรักษาใจไม่ให้อนิจจังมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจได้ ก็ น, นับถือให้เข้าถือให้เข้าใจนะให้เข้าถึงพะรัตนาตายของแท้นะหรือที่หลวงปู่ดูเรื่องของจริงเนี่ยนะอย่าไปหลงติดของปลอมของปลอมมีประโยชน์นะแต่ว่าอย่าให้สำคัญเกินของจริงนะเหมือนกับรูปพ่อแม่เรานะก็สำคัญแต่ว่าไม่สามารถจะมาแทน ของจริงคือพ่อแม่ที่เรียงดูเรามานะั น, นั้นของจริงที่เราระลึกไปในใจเอาละก็ได้เวลาน ะ, ะพ่อแม่ก็เตรียมราศี